วันนี้เป็นวันเสาร์ที่16สิงหาคมพุทธศักราช2568เป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ฝ่ายธรรมผู้ปรารถนาการสิ้นสุดของความทุกข์ทั้งหลายได้มีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆ จึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาฟังเทศฟังธรรมมาศึกษาธรรมมาปฏิบัติธรรมณนะสถานที่แห่ง น, นี้ซึ่งจะมีการแสดงธรรม30สบนาทีในช่วงแรกและต่อด้วยการปฏิบัติธรรมคือการนั่งสมาธิอีกส0สบนาที ธรรมะที่จะมาแสดงในวันนี้ก็คือเรื่องใครเป็นผู้กระทากรรมและใครเป็นผู้รับผลของกรรมการหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้ที่กระทากรรมและรับผลของกรรมก็คือใจที่เป็นธาตุรู้ ที่มีความสามารถที่จะรับรู้เรื่องราวต่างๆได้มีความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์มีความคิดความจำได้หมายรู้และมีความสามารถที่จะรับรู้เสียงกลิ่นรสผลพะผ้าชนิดต่างๆ ที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายของร่างกายได้ผู้นี้แหละคือผู้ที่กระทำกรรมไม่ใช่ร่างกายเพราะว่าร่างกายนี้ไม่สามารถทำอะไรเองได้ถ้าไม่มีใจร่างกายก็จะเป็นซากศพไป เวลาเป็นซากศพนี้ร่างกายทําอะไรไม่ได้เลยเวลามีชีวิตอยู่เช่นตอนนี้ก็ต้องคอยรับคําสั่งจากใจผู้มีความคิดที่จะสั่งให้ร่างกายทําอะไรต่างๆตามความต้องการของใจได้ถ้าใจไม่สั่งเช่นตอนนี้ใจไม่สั่งให้ร่างกายเคลื่อนไหว ร่างกายก็จะนั่งอยู่เฉยๆแต่พอถ้าใจสั่งให้ร่างกายลุกร่างกายก็จะทำตามคำสั่งทันที<ม>จึงถือว่าร่างกายนี้ไม่ได้เป็นผู้กระทำร่างกายเป็นเครื่องมือของใจผู้กระทำกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นกรรมที่เป็นบุญก็ดีกรรมที่เป็นบาปก็ดี กรรมที่ไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปก็ดีร้วนมีใจเป็นผู้กระทำเท่านั้นโดยอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือในการกระทำต่างๆของใจดังนั้นผู้ที่จะรับผลของการกระทำกรรมต่างๆจึงไม่ใช่ร่างกายแต่เป็นใจใจผู้ที่จะรับผลของ การกระทําของใจผ่านทางร่างกายเช่นถ้าใจสั่งให้ร่างกายไปทําบาปผลที่จะเกิดขึ้นก็คือความทุกข์ใจที่จะเกิดขึ้นในใจไม่ได้เกิดขึ้นที่ร่างกายความทุกข์ไม่ได้เกิดที่ร่างกายเวลาร่างกายทําบาปแต่ความทุกข์เกิดขึ้นที่ใจเช่นเดียวกับเวลาที่ สั่งให้ร่างกายไปทำบุญผลที่จะเกิดขึ้นก็คือความสุขก็จะเกิดขึ้นที่ใจไม่ได้เกิดขึ้นที่ร่างกายดังนั้นเวลาเราพูดถึงการกระทำของใจเราต้องมองผู้ที่จะรับผลและผู้ที่กระทำ ผู้ที่กระทาก็คือใจผู้ที่จะรับผลของการกระทาก็คือใจผลของการกระทานี้ก็มีหลายรูปแบบด้วยกันหลายระยะหลายเวลาด้วยกันเช่นผลที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเวลาที่ใจได้ทำกรรมดีได้ทำบุญ ความสุขใจก็จะเกิดขึ้นมาในใจแล้วความสุขใจนี้ก็จะฝังอยู่ในใจไปรอเวลาที่จะทำหน้าที่เวลาที่ร่างกายตายไปผลของบุญผลของการกระทำบุญคือความสุขใจก็จะพาให้ใจไปอยู่ตามสวรรค์ชั้นต่างๆแล้วหลังจากที่ ผลบุญที่ได้ส่งไปอยู่ในสวรรค์ชั้นต่างๆได้หมดลงใจก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะมีบุญที่ได้ทำไว้มาสนับสนุนให้มาเกิดเป็นคนที่มีวาสนาบารมีเป็นคนที่มีฐานะการเงินการทองที่มั่งคัง่ง มีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามผิวพรรณผ่องใสมีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวนานเป็นต้นนี่คือผลของบุญที่เกิดจากการกระทําของใจและใจนี้เป็นผู้ที่จะรับผลตั้งแต่ในปัจจุบันนี้เลย พอทำบุญปั๊บใจก็จะเกิดความสุขใจขึ้นมาทันทีแล้วพอร่างกายตายไปใจก็แยกออกจากร่างกายใจก็มีบุญพาไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆพอบุญหมดกำลังที่จะให้อยู่ในสวรรค์ใจก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่กรอบหนึ่งแล้วก็มาเกิดดีฐานะที่ ร่ลำรวยฐานะที่มังม่ ง, งมังง่งคั่งมั่นคงไม่ทุกข์ยากไม่อดอยากขาดแคลนเป็นต้นนี่คือผลของการกระทาคือการกระทากรรมไม่ว่าจะเป็นบุญหรือเป็นบาปก็ตามในทางตรงกันข้ามถ้าทำบาปเวลา ทำปุ๊บเนี่ยใจจะความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นที่ใจทันทีสังเกตดูเวลาเราทำบาปเวลาเราไปทำร้ายใครเวลาที่เราไปช่อโกงไปลักทรัพย์ไปโกหกหลอกลวงหรือไปประพฤติผิดในการมเป็นต้นความทุกข์ใจจะเกิดขึ้นทันทีแล้วความทุกข์ใจนี้ก็จะสะสม ไปในใจอยู่เรื่อยๆ เ, เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆทุกครั้งที่มีการกระทำบาปความทุกข์ใจก็จะมีมีกำลังมากขึ้นไปสะสมอยู่ในใจเหมือนกับการอัดแบตเตอรี่ชาร์จแบตเตอรี่เวลาเราชาร์จแบตเตอรี่ไฟก็จะบรรจุก็ไปในแบตเตอรี่เพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆจาก10เปอร์เ็น20เอร์ซนตจนถึงเป็น100เอร์ซนต์พอเวลาที่ร่างกายตายไป บาปที่ทำนี้ก็จะส่งให้ใจไปเกิดในอบายสี่ที่ด้วยกันเช่นไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน<ม>ถ้าทำบาปด้วยความหลง<ม>ด้วยความไม่รู้ว่าเป็นบาป<ม>ถ้าทำบาปด้วยความโลภ ก, <ม>ก็จะส่งให้ไปเป็นดวงวิญญาณที่หิวโหวย<ม><ม>ที่เรียกว่าเปรต ถ้าทําบาปด้วยความกลัวก็ส่งดวงวิญญาณให้เป็นให้เป็นดวงวิญญาณที่หวาดกลัวถ้าทําบาปด้วยความอาฆาตพยาบาท<ม>ก็จะทำให้ไปเป็นดวงวิญญาณที่อยู่ในนรก<ม>ถูกไฟนรก ค, ความความเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทเผาผลาญจิตใจไปจนกว่า อำนาจของบาปที่ได้ทำไว้นั้นหมดลงก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็จะมาเกิดเป็นมนุษย์ที่มีความอาภัพวาสน า, าเกิดมาทุกข์ยากลำบากยากจนเกิดมามีรูปร่างหน้าตาไม่สวยงามผิวพรรณไม่ผ่องใสฐานะการเงินการทองที่ที่อดอยากขาดแคลน อาการอาจจะไม่ครบสามสิบสองมีโครคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนและมีอายุสั้นนี่เป็นผลที่จะเกิดตามมาขั้นที่สามขั้นที่หนึ่งก็คือความทุกข์ใจในปัจจุบันขั้นที่สองก็คือไปเกิดในอบายต่างๆแล้วก็พอหมดก็กลับมาเกิด เป็นมนุษย์นี่เป็นขั้นที่สามผลของกรรมคือการทำบาปแลจะกะกรรมมาเกิดเป็นมนุษย์ที่ทุกข์ยากเดือดร้อนนะเป็นต้นนะนี่คือเรื่องของกรรมคือการกระทาผู้กระทาก็คือใจและผู้ที่รับผลผลของการกระทาของกรรมก็คือใจ ถ้าทำกรรมดีกรรมที่เป็นบุญเป็นกุศลก็จะได้ความสุขถ้าทำบาปก็จะได้ความทุกข์อันนี้คือผลที่จะเกิดขึ้นจากการทำบุญและทำบาปจะเกิดขึ้นกับใจไม่ได้เกิดขึ้นกับร่างกายบางคนคิดว่าถ้าเราทำบุญทำความดีแล้ว ร่างกายเราจะต้องเจริญด้วยอายุด้วยทรัพสมบัติเข้าของเงินทองด้วยลาบยศสารเสญสุขอันนี้ไม่ได้เป็นผลที่เกิดจากการทำความดีหรือความชั่วความชั่วก็อาจจะคิดว่าทำความเชั่วแล้วจะต้องเสื่อมในลาบยศสารเสญสุขอันนี้ไม่ okay. ได้เป็นผลที่เกิดจากการทำความดีหรือความชั่ว ผลเรื่องของการเจริญในลาบยศสารเสริญสุขหรือเสื่อมในลาบยศสารเสิญสุขนี้อยู่ภายใต้กฎของอนิจจังทุกขังอนัตตาก็อยู่ในอยู่ภายใต้ของกฎของความที่ไม่ความไม่แน่นอนความไม่แน่นอนและความเปลี่ยนแปลงมีเจริญก็มีเสื่อมได้เป็นธรรมดามีเกิด ก็มีดับได้เป็นธรรมดามีสุขก็ย่อมมีทุกข์เป็นธรรมดาอันนี้เป็นเรื่องของกฎของใจรักอันนี้จังไม่เที่ยงแท้แน่นอนอนาตตามไม่มีใครสามารถไปควบคุมบังคับมันได้เสมอไม่ว่าจะเป็นคนดีแล้วคนไม่ดีก็สามารถรวยได้จเจริญได้แล้วก็สามารถเสื่อมได้ ตกต่ำได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการทําความดีหรือการทําความชั่วเพียงอย่างเดียวเพราะมีสาเหตุอย่างอื่นที่จะทําให้เจริญในราบยศสารเสริญสุขได้น่าเสื่อมในราบยศสารเสนสุขได้คนทําชั่วก็เจริญในราบยศสารเสริญสุขก็มีทํา ค, คนทําความดีเจริญในราบยศสารเสญสุขก็มี เช่นเดียวกับกในทางตรงกันข้ามคนทําชั่วจะเสื่อมในลาบยศสารเสริญสุขก็มีคนทําดีก็เสื่อมในลาบยศสารเสริอสุขได้ก็มีไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการทําบุญหรือทำบาปเพียงอย่างเดียวการทําบุญทำบาปก็อาจจะมีอนิสงส์แต่ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในภพหน้าชาติหน้าเสียมากกว่าเช่นถ้าทำชั่วชาติหน้ามาเกิดก็เกิดมา ตกต่ำยากจนมีโครคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนเป็นต้นอายุสั้นมีความทุกข์ยากลำบากต่างๆถ้าเป็นผลของการทำบุญของการทำความดีชาติหน้าก็จะมีฐานะมั่งคัง่งในการเงินการทองมีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวนานมีรูปร่างหน้าตาสวยงาม อันนี้เป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมแต่เรื่องของการเจริญในราบยศสารเสนสุขในปัจจุบันนี้อันนี้เราอาจจะรวยก็ได้เพราะวันนี้หวยออกบางคนแทงหวยแทงแทงถูกเลขที่ต้องการก็รวยขึ้นมาทันทีได้ไม่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าวันนี้มาวัดมาทําบุญหรือไม่มาทําบุญคนไม่มาทําบุญแทงหวยก็ถูกรางวัลที่หนึ่งได้ คนที่มาวัดมาทำบุญแทงหัวยก็อาจจะถูกบางวันที่หนึ่งก็ได้เหมือนกันอันนี้คนละเรื่องกันขอให้เราเข้าใจไว้เราจะได้ไม่มีความท้อแท้ในการทำความดีในการละการกระทำบาปเพราะเราเรารู้แล้วว่าผลของการทำความดีทำบุญกับผลของการทำชั่วทำบาปนี้มันเกิดที่ใจของเรา มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับมันไม่ได้ทำให้เราเจริญขึ้นในลาบยศ เ, เสริญหรือทำให้มันเสื่อมลงเช่นวันนิยา่าโยมมาทำบุญก็ไม่ได้หมายความว่าโยมจะรวยขึ้นทันทีหรือจะจนลงทันทีหรือไปทำบาปแล้วจะทำให้จนลงทันทีมันก็ไม่เกิดขึ้น <S <S เพราะว่ามันเป็นคนละเรื่องกันเราต้องเข้าใจต้องรู้จักแยกแยะกฎของกรรมกับกฎของตายลากนี้มันไม่เหมือนกัน ของใจลักอ น, นิจังทุกขังอน้ตานี้เกี่ยวกับเรื่องของร่างกายเกี่ยวกับเรื่องของทรัพสมบัติลาบยศชละเสญสุขที่หามาได้ผ่านทางร่างกายมันไม่แน่นอนแต่สิ่งที่แน่นอนก็คือเมื่อมันเจริญได้มันวันหนึ่งก็ต้องเสื่อมได้มันเสื่อมได้วันหนึ่งมันอาจจะเจริญกลับขึ้นมาใหม่ได้มันเป็นของขึ้นๆลงๆแล้วก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ จะใครจะสามารถไปควบคุมบังคับมันได้เสมอเช่นการแทงหวยนี่ใครจะไปบังคับให้ถูกหวยได้มันมก็เป็นเรื่องของวามความไม่แน่นอนถ้ามันมีจังหวะมีเหตุมีปัจจัยที่สนับสนุนให้ถูกมันก็ถูกได้ถ้าไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยที่สนับสนุนให้มันถูกมันก็ไม่ถูกมันคนละกฎกันกดแท่งกรรมกฎของตายรักนี่คนละเรื่องกัน กฎของตายลักนี้มันเกี่ยวกับเรื่องาลาภยศเสริญสุขและเกี่ยวกับเรื่องของร่างกายร่างกายของเรานี้อยู่ภายใต้กฎของตายลักเมื่อเกิดแล้วก็ต้องแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาอันนี้เป็นกฎของตายลักอันนี้จังอันนี้จังแปลว่าไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีการเปลี่ยนแปลงมีการเจริญแล้วก็มีการเสือ่อมร่างกายตอนเกิดขึ้นมาใหม่ๆก็ค่อยจะจะมีแต่การเจริญ เอาจากท้องแม่กัมาก็เป็นทารกแล้วพอได้กินน้ำกินนมกินอาหารก็ค่อยๆจเจริญเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆ <S <S จนถึงอายุกลางคนอายุสี่สิบห้าสิบพอถึงขั้นสูงสุดของความเจริญแล้วมันก็จะเริ่มเสื่อมลงร่างกายก็จะก็เริ่มแก่ลงไปทีละเท่าน้อยจากห้าสิบเป็นห0สิบหสิบเป็นเจ็ดสิบ ความแก่ก็จะมีเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นไปความเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะมีมากขึ้นไปแล้วในที่สุดมันก็ต้องถึงแก่ความตายอันนี้เรียกว่ากฎของอนิจจังอนัตตาทุกขังอนัตตาไม่ได้เกี่ยวกับว่าทำบุญหรือทำบาปหรือไม่พระพุทธเจ้าก็ต้องร่างกายของพระพุทธเจ้าก็ต้องแก่เจ็บตายเหมือนกันร่างกายขององคุลิมานจอมโจรมหาโจรก็ต้องแก่เจ็บตายเหมือนกัน อันนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าทำบุญหรือทำบาสมาคนทำบุญก็ต้องแก่เจ็บตายคนทำบาปก็ต้องแก่เจ็บตายเหมือนกันแต่ต่างกันตรงที่ใจของคนที่ทำบุญนี้จะมีความสุขใจของคนที่มีทำบาบนี้จะมีความทุกข์ต่างกันที่ตรงนี้เท่านั้นเองที่เราที่ศาสนาสอนนี้เราสอนเรื่องกฎแห่งกรรมเป็นหลักเรื่องของ ของการกระทำกรรมผ่านทางร่างกายผ่านทางผ่านทางกายวาจาถ้าทำบาปแล้วก็จะส่งผลให้ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดในในทุกขติในอบายถ้าทำบุญก็จะส่งผลให้ไปเวียนว่ายตายเกิดในสวรรค์และยังมีการกระทำอีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่าการซักฟ้องจิตใจให้สะอาดบริสุทธ การซักฟอกจิตใจให้บริสุทธิ์ได้การปฏิบัติธรรมคือจิตตภาวนาคือสมาธิและปัญญานี้จะเป็นการซักฟอกจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ถ้าจิตใจได้รับการซักฟอกสะอาดบริสุทธิ์แล้วจิตใจก็จะปราศจากความทุกข์เพราะเหตุที่ทําให้ใจทุกข์นั้นได้ถูกซักฟอกให้หมดไปจากจิตใ จ, จ, ก, จ, ตใจก็คือกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงต่างๆ ถ้าสามารถซักพอกจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้แล้วจิตใจก็จะมีแต่ความสุขตลอดเวลาไม่ว่าเวลาร่างกายเป็นอะไรใจก็จะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนไปกับความเป็นความตายของร่างกายร่างกายจะแก่ก็ไม่เดือดร้อนร่างกายของร่างกายจะเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่เดือดร้อนร่างกายจะตายก็ไม่เดือดร้อนจะสูญเสียลาบยศสารเสริญสุขไปก็ไม่เดือดร้อน พอใจนี้เป็นใจที่สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากความรูปความอยากปราศจากกิเลสตัณหาเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายใจจึงไม่มีความทุกข์อีกต่อไปแล้วก็เป็นใจที่จะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตา ย, ตายเกิดอีกต่อไปด้วยอันนี้แหละเป็นการทําความดีของทางพุทธศาสนาที่สูงสุดที่ดีที่สุดก็คือการซักฟอกจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ พระาตาดใดถ้ายังมีการกลับมาเกิดอยู่ถึงแม้ว่าจะกลับมาเกิดดีเกิดมาร่ำรวยเกิดมาเป็นใหญ่เป็นโตก็ยังต้องเจอกั บ, กบความทุกข์ของความแก่ความทุกข์ของความเจ็บไข้ได้ป่วยและความทุกข์ของความตายอยู่ทั้งนั้นพระเจ้าแผ่นดินก็ต้องแก่เจ็บตายขอทานข้างถนนก็ต้องแก่เจ็บตายไม่มีข้อยกเว้นถ้ากลับใดมา ถ้าดาบใดมีการกลับมาเกิดตาม น, นั้นยังต้องมีความทุกข์เสมอทุกข์ที่เกิดจากความแก่ทุกข์ที่เกิดจากความเจ็บไข้ได้ป่วยทุกข์ที่เกิดจากความตายทุกข์ที่เกิดจากการพลาดาจากสิ่งและบุคคลที่เราลากเราชอบทุกข์ที่เกิดจากการที่จะต้องพบกับสิ่งหรือบุคคลที่เราไม่ชอบเป็นต้นอีกเลี่ยงไม่ได้ถ้าไม่อยากจะเจอกับความทุกข์เหล่านี้ ก็ต้อ ง, งรับการกลับมาเกิดให้ได้ดรับการเกิดด้วยการซักฟอกจิตใจกำจัดเหตุที่พาให้เรามาเกิดก็คือกิเลสตัณหานี่เองความโลภความอยากต่างๆเป็นตัวที่พาให้จิตใจเราต้องกลับมาเกิดอยู่เรื่อยถ้าเราซักฟอกจิตใจด้วยการปฏิบัติสมาธิและปัญญาได้เราก็จะสามารถที่จะหยุดการเวียนว่ายตายเกิดได้ ตายที่สะอาดบริสุทธิ์ไม่มีเลียนไ่ว้ตายเกิดแล้วก็เรียกวันนิ้พานนั่นเอง mm hmm. นิพานไม่ใช่เป็นสถานที่นิพานเป็น ส, สถานภาพของจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์ mm hmm. เหมือนกับเสื้อผ้าที่เราเอาไปซักพอก mm hmm. เอาไปซักชำระเวลาเราใส่ mm hmm. เสื้อผ้ามันสกปรกเราอยากจะให้มันสะอาดเราก็ต้องเอาไปซักซ mm hmm. ักในเครื่องใส่ผงซักพอกเข้าไป พอซักเสร็จคราบสกปรกต่างๆก็หายไปเสื้อผ้าก็ยังอยู่แต่เป็นเสื้อผ้าที่สะอาดบริสุทธิ์ใจก็เช่นเดียวกันใจที่ได้รับการซักพอาแล้วก็จะสะอาดบริสุทธิ์แต่ใจก็ไม่ได้หายไปไหนใจก็ยังอยู่ต่อไปเหมือนก่อนตอนที่ยังไม่ได้ซักผ้าต่างกันตอนที่ตอนที่ยังไม่ได้ซักผอานั้นใจจะมีแต่ความทุกข์ แต่หลังจากที่ได้ซักฟอกแล้วใจจะมีแต่ความสุขนิพานนี้ก็คือความสุขใจที่สะอาดบริสุทธินั่นเองความสุขของใจที่สะอาดบริสุทธิ์เพราะไม่มีคาบสกรปรกหลงเหลืออยู่ท่านถึงเรียกว่านิบานังบามังสุญญงนิพานนี้เป็นความว่างอย่างยิ่งคือว่างจากกิเลสตัญหาต่างๆที่สร้างความทุกข์ให้กับใจนั่นเอง แล้วก็เป็นบรมีสุขนิ่บานังปรามังสุขขังใจที่สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากกิเลสตัณหาก็จะเป็นใจที่เป็นบารมีสุขคือสุขตลอดเวลาไม่เหมือนกับสุขของพวกเราตอนนี้บางวันเราก็มีความสุขใจบางวันเราก็มีความทุกข์ใจทุกสุขทุกขใจของเรายังไม่ได้เป็นความสุขที่ยั่งยืนถาวรสุขวันนี้บ้างเดี๋ยวบ่ายนี้ก็ทุกข์กับเรื่องนั้นเรื่องนี้ต่อได้ เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่เรื่อยๆความสุขความทุกข์ในใจของเราสลับผัดเปลี่ยนกันเข้ามาตลอดเวลาแต่ถ้าท้ได้ซักฟอกใจให้สะอาดบริสุทิ์แล้วใจก็จะมีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวจะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปแล้วพอร่างกายนี้ตายไปก็จะไม่กลับมาเกิดอีกต่อไปแต่การไม่กลับมาเกิดไม่ได้หมายความว่าหายไปไหนก็ยังอยู่เหมือนเดิมอยู่อยู่ที่เดิมอยู่ ใจของพวกเราทุกคนอยู่ในโลกทริปโลกทริปนี้ก็จะแบ่งเป็นสองภาคภาคที่มีการเวียนว่ายตายเกิดกับภาคที่ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดภาคที่ยังมีเวียนว่ายตายเกิดก็ภาคของผู้ที่ยังไม่ได้สักฟอกจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์เช่นจิตใจของพวกเราตอนนี้ยังมีความโลภโกรธหลงอยู่ยังมีความรักชังกลัวหลงอยู่ถ้าตราบใดมี กิเลเหล่านี้อยู่ในใจมันก็จะพาให้เราอยู่ในซี่ของการเวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆแต่พอเราได้ซักพอกจิตใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์แล้ว<อ>จิตใจของเราก็จะย้ายจากซี่ของการเวียนว่ายตายเกิดไปอยู่ซี่ของการไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดก็คือซี่ของนิพพานเท่านั้นเองไม่ได้หายไปไหนพระพุทธเจ้าที่ตายจากโลกนี้ไปเมืม่อสองพันหรอกว่าปีมาแล้ว ก็ยังอยู่ที่เดิมอยู่อยู่ในทีของการไม่มีเวียนว่ายตายเกิดแต่ใจของพวกเราเมื่อ2500ันห้กว่าปีก็มีอยู่เหมือนกันแต่เราอาจจะจําไม่ได้ว่าตอนนั้นเราอยู่ที่ไหนเราอาจจะเป็นเทวดาก็ได้แล้วอาจจะเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้เราอาจจะเป็นมนุษย์ก็ได้เราจําไม่ได้แต่ใจของเราก็ยังอยู่เหมือนกันไม่ได้หายไปไหนแต่อยู่ในที่ของการเวียนว่ายตายเกิด สอง0ันหรกับปีนี้เราอาจจะเปลี่ยนพบเปลี่ยนชาติหลายครั้งแล้วก็ได้หรืออาจจะเปลี่ยนไม่ไม่กี่ครั้งก็ได้ขึ้น อ, อยู่กับสถานภาพของใจว่าอยู่ในสถานภาพไหนถ้าเป็นเทวดาเป็นพรหมนีน่อาจจะอยู่เป็นหมื่นปีก็ได้แต่ถ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานก็อาจจะเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานได้อยู่ได้ไม่กี่ปีก็ตายเช่นสุนัขนี่าอายุเขาสั้นล้วอาจจะ กลับไปเกิดเป็นสัตว์เดราจฉานกี่หลายรอบแล้วก็ได้ถ้าเราถ้าเราทํำบาปด้วยความหลงด้วยความไม่รู้ออแต่ใจของเราก็ยังอยู่เหมือนเดิม <shorter. S 1> เหมือนกับใจของพระพุทธเจ้าก็ยังอยู่เหมือนเดิมแต่อยู่ในสถานภาพที่ต่างกันใจของพวกเรายังอยู่ในสถานภาพที่มีการเวียนว่ายตายเกิดอยู่แต่ใจของพระพุทธเจ้านี้พระ้าหลานตัสสาวกนี้ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดเท่านั้นเอง ่ากันใจไม่มีวันตายมีอยู่เพียงว่าจะเวียนว่ายตายเกิดหรือไม่เวียนว่ายตายเกิดเท่านั้นเองถ้าไม่อยากจะเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยการบำเพ็ญจิตตภาวนาที่เรียกว่าการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิจเจริญปัญญาแล้วใจก็จะสะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมา พอใจศาสบร์ยสุดแล้วใจก็จะได้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปอันนี้เรื่องของกรรมกรรมดีกรรมชั่วแล้วกรรมที่เกิดจากกรรมที่ซักฟอกจิตใจก็จะสั่งผลให้ต่างกันไปถ้าทำกรรมชั่วก็จะต้องไปเวียนว่ายตายเกิดในทุกติไปเกิดในอบายไปเป็นเปรตบ้างเป็นอนุสุลกายบ้างไปตกนรกบ้างไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้าง ถ้าทำบุญก็จะเวียนว่ายตายเกิดในสุคติไปเกิดเป็นสวรรค์อยู่ในสวรรค์ชั้นเทพชั้นต่างๆมีอยู่หกชั้นด้วยกันแล้วก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เวียนว่ายตายเกิดสลับกันไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆถ้าไม่ทำบาปทำแต่บุญแล้วถ้าอยากจะไม่กลับมาเกิดเลยก็ต้องไปปฏิบัติธรรมไปเจริญจิตตภาวนา สมถะภาวนาคือการฝึกสมาธิวิปัสนาภาวนาคือการฝึกปัญญาถ้าสามารถฝึกสมาธิและฝึกปัญญาได้ก็สามารถซักพ่อใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้พอใจสะอาดบริสุทธิ์แล้วก็ไม่ต้องกลับมาวินว่ายตายเกิดอีกต่อไปความทุกข์ที่เคยมีไว้การมีม้ายตายเกิดในภพต่างๆที่ไม่ที่ไม่ปรารถนาก็จะสิ้นสุดลง ความทุกข์ที่เกิดจากการเกิดก็จะไม่มีอีกต่อไปนี่คือเรื่องของใจเรื่องของกฎแห่งกรรมที่จะเกิดขึ้นกับผู้กระทําผู้กระทาก็คือใจและผู้ที่รับผลของการกระทําก็คือใจเช่นเดียวกันไม่ใช่ร่างกายร่างกายจะเจริญแล้วเสื่อมในลาบยศสารเสริญสุดนี้ก็ขึ้นอยู่เรื่องของกฎของตายรักเรื่องของกฎของความไม่แน่นอน เรื่องของการเจริญและของการเสื่อมเป็นธรรมดาแต่เรื่องของใจนี้สามารถทำให้ใจเจริญไปได้ตลอดด้วยการทำแต่บุญทำกุศลแล้วซะพวกพอกจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์แล้วใจก็จะเจริญถึงขั้นสูงสุดได้พรกับความสุขที่เป็นความสุขที่สูงสุดเป็นความสุขที่ดีที่สุดเพราะเป็นความสุขที่ไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีวันเปลีป่ยนแปลงนั่นเอง นี่ก็คือเรื่องของธรรมที่เอามาแสดงให้ท่านได้ยินได้ฟังกันในวันนี้ซึ่งก็พอดีสมควรกับเวลา30สนาทีที่ได้กาหนดเอาไว้ก็ขอยุติการแสดงธรรมไว้เพียงเท่านี้และเราก็จะมาปฏิบัติธรรมต่อกันเลยด้วยการนั่งสมาธิทาใจให้นิ่งให้สงบเพราะการทำใจให้นิ่งให้สงบนี้ถือว่าเป็นการซักพอกใจนั่นเอง เวลาใจนิ่งสงบแล้วกิเลสตัณหาเครื่องเศร้าหมองต่างๆก็จะสงบลั ง, งับไว้ชั่วคราวการนั่งสมาธินี้เป็นการซักฟอกแบบชั่วคราวเวลาใจนิ่งใจสงบความทุกข์ที่เกิดจากกิเลสตัณหาก็จะหายไปชั่วคราวแต่ไม่หายอย่างถาวรเพราะสมาธินี้ไม่สามารถทำลายกิเลสตัณหาเครื่องเศร้าหมองให้หมดไปจากใจได้อย่างถาวร ต้องปฏิบัติทำอีกขั้นหนึ่งหลังจากออกจากสมาธิมาแล้วก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจให้เห็นว่าความทุกข์นี้เกิดจากความอยากของกิเลสและสิ่งที่กิเลสอยากได้ก็เป็นทุกข์เพราสิ่งที่อยากได้มันก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นความสุขแบบชั่วคราวเวลาเราเห็นอะไรคิดว่าจะให้ความสุขกับเราพอเราได้เขามาเราก็ได้ความสุข เดี๋ยวสักพักหนึ่งเขาก็อาจจะเปลี่ยนไปหรือจากไปพอเขาเปลี่ยนไปหรือจากเราไปความสุขนั้นก็หมดไปความทุกข์ก็จะกลับเข้ามาแทนที่เอาให้พิจารณาพิจารณาด้วยปัญญาให้เห็นทุกข์ในสิ่งที่ต้องการในสิ่งที่ใจอยากได้เ้าเห็นว่าเวลาใจเกิดความอยากขึ้นมาใจก็เริ่มทุกข์แล้วใจก็จะเริ่มกังวลกวังวลกระสรับกระส่ายแล้วเช่นวันนี้อยากจะถูกวอตเตอรี่นี่ อันนี้ใจก็จะกระสับกระส่ายกังวลกังวายแล้วแต่ถ้าไม่ได้อยากถูกอัลตรอนี้ใจก็จะรู้สึกเฉยเฉยไม่เดือดร้อนแล้วถึงแม้ว่าจะถูกอัลตรอนมาเดี๋ยเงินที่ได้มาเดี๋ยวมันก็หมดไปอยู่ดีได้มาเดี๋ยวก็ไปใช้หมดพรอหมดความทุกข์ก็กลับเข้ามาแทนที่ใหม่นี่คือการใช้ปัญญาสอนใจให้ระ ง, งับความอยากต่างๆอย่างถาวรหลังจากที่ได้ระ ง, งับความอยากแบบชั่วคราวในสมาธิแล้ว ออกจากสมาธิมาก็สอนใจเวลาใจอยากได้อะไรก็สอนให้เห็นว่าเป็นไต่ลั่สอนให้เห็นว่าเวลาใจอยากแล้วใจจะทุกข์แล้วต่อไปก็จะไม่ไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ในใจอย่างถาวรการนั่งสมาธินี้เป็นการหยุดความอยากชั่วคราวก่อนการจะหยุดความอยากได้ต้องทำใจให้นิ่งให้สงบไม่ให้ใจคิดปรุงแต่งให้ใจนิ่งอยู่ในสมาธิ ใจจะนิ่งอยู่ในสมาธิได้ต้องมีสติกำกับใจผูกใจให้อยู่กับกรรมฐานคืออารมณ์ที่จะทำให้ใจนิ่งให้ใจสงบนั่นเองอกรรมฐานนี้ก็มีหลากหลายชนิดด้วยกันสามารถเลือกใช้ตามที่เราถนัดได้ตามที่เราเคยใช้ได้ถ้าเราเคยใช้กรรมฐานแบบไหนเช่นถ้าเราเคยใช้พุทโธเราจะใช้พุทโธไปก็ได้ถ้าเราเคยใช้การดูลมหายใจจะใช้การดูลมหายใจก็ได้ หรือถ้ามีวิธีอื่นที่เราใช้แล้วทําให้ใจนิ hum, ่งให้สงบให้เข้าสมาธิได้ก็สามารถใช้กรรมฐานนั้นเป็นเครื่องผูกใจได้ต้องมีสติคอยดึงใจให้อยู่กับกรรมฐานเรียกว่าเป็นการผูกใจด้วยสติถ้าเราผูกใจอยู่กับพุทโธเราก็เรียกว่าพุทธานุสติมีสติผูกใจให้อยู่กับพุพุทโธพุทธเจ้า เป็นการระลึกถึงพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าเป็นกรรมฐานพุทธานุสติถ้าดูลมก็อาณาปนสติถ้าส่วดมนต์ก็เรียกว่าธรรมานุสติก็ได้แล้วแต่เราจะเลือกใช้ได้บางเวลาเวลานั่งใหม่ๆใจฟุ้งมากคิดมากไม่สามารถอยู่กับพุทโธได้ไม่สามารถอยู่กับลมหายใจได้ก็ใช้อยู่กับการสวดมนต์ไปก่อนหรือใช้กับการฟังเทศไปก่อนอย่างวันนี้เราก็ได้ฟังเทศถึงสาสบนาทีแล้ว ใจเราก็อาจจะหายฟุ้งแล้วพร้อมที่จะนั่งสมาธิพร้อมที่จะอยู่กับพุทโธได้หรือพร้อมที่อยู่กับลมหายใจได้หรืออยู่กับกรรมฐานอย่างอื่นก็ได้ที่เราเคยฝึกมาเราเคยฝึกใช้อะไรอย่างอื่นมาก็สามารถใช้ได้บางคนเพ่งลูกแก้วก็ได้บางคนท่องคำว่าสัมมาอรหังก็ได้อันนี้ไม่บังคับกันสามารถเป็นกรรมฐานที่จะผูกใจให้เข้าสู่ความสงบได้เหมือนกัน ข้อสำคัญก็คืออย่าทิ้งกรรมฐานให้อยู่กับกรรมฐานไปจนกว่าจิตจะนิ่งจะสงบถ้ายังไม่นิ่งไม่สงบต้องอยู่กับกรรมฐานไปเรื่อยๆและเวลาที่นั่งอาจจะมีอะไรปรากฏขึ้นมาก็อย่าไปตามรู้อย่าไปสนใจอาจจะมีภาพขึ้นมาอาจจะมีรูปอะไรขึ้นมาหรืออาจจะมีอะไรก็ต่างหรือจะมีความรู้สึกทางร่างกายมารบกวนคันตรงนั้นคันตรงนี้เจ็บตรงนั้นเจ็บตรงนี้ เรารู้สึกว่าร่างกายไม่ตรงบ้างเองไปทางนั้นทางนี้บ้างก็อย่าไปสนใจพอเราเริ่มภาวนาแล้วไม่ให้สนใจกับอะไรนอกจากกรรมฐานเพียงอย่างเดียวให้สนใจอยู่กับพุโทโธถ้าเราใช้พุโทโธให้สนใจอยู่กับลมถ้าเราใช้ลมให้สนใจอยู่กับการสวดมนต์ถ้าเราใช้การสวดมนต์ให้สนใจอยู่กับลูกแก้วถ้าเราใช้ลูกแก้วให้ให้มีอะไรผูกใจไว้แล้วเดี๋ยวใจก็จะเข้าสู่ความสง บ, บได้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 วันนี้นั่งแล้วเป็นอย่างไรสงบดีไหมถ้าสงบดีก็ให้จำวิธีนั่งของวันนี้ไว้แล้วคราวหน้าเวลานั่งก็ใช้วิธีเดิมต่อได้เลยอย่าไปนั่งแล้วอยากให้มันสงบเพราะความอยากให้มันสงบนี้จะไม่ทําให้ใจสงบแต่วิธีนั่งที่ถูกต้องอย่างวันนี้เราสามารถจำมาไว้แล้วเราก็ไปนั่งต่อได้ถ้านั่งแล้วยังไม่สงบก็แสดงว่าสติเรายังมีน้อย ควรที่จะฝึกสติจเจริญสติในระหว่างวันให้บ่อยขึ้นให้มากขึ้นเราสามารถจเจริญสติได้ตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนถึงเวลาหลับไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ให้มีสติอยู่กับการกระทําก็ได้หรือให้มีสติอยู่กับพุทโธพุทโธไปในใจก็ได้แล้วเราจะมีสติเพิ่มมากขึ้นตามลําดับต่อไปต่อไปนี้ก็จะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวหาปูราปาริปุเรนติสาคหลังเอวเมวะอิโตจินังเปตานังอุปกปติยิชิตังปฏิตังตุงหังคิปเมวะสมิชะโตสเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนาระโสยธามณนโชติราโสยธาสพิติยวิวาจันโตสัพพโคกวินาสตุมาเตภวัตวันตราโยสุขีติกายุกภวะอภิวาตนาสีลิทสนิจจังวุธาปะจายโน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 เขาจะมีการกระทำอะไรต่างๆอีกงนั้นถ้าอยากจะถามอะไรขอเชิญถามในช่วงนี้ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่เรียนพระอาจารย์ค่ะวันนี้มีผู้ทัฟังธรรมานากุติจากทางเฟ e บุ๊กพระอาจารย์สุชาติส0 0ร 302ท่าน YouTube พระสุชาติไลฟ์307ท่าน YouTube ดรวีสวิทยุออนไลน์8 c l ค b ับ u s e 4์นาคุติ168รวมทั้งหมด824ท่านค่ะคำถามรับจากโพกบฟังนาคุติค่ะเราจะทำอย่างไรที่จะเข้าอัปนาสมาธิได้นานคะ ก็ต้องมีสติให้มากต้องพยายามเจริญสติทั้งวันตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยให้มีสติกำกับใจอย่าปล่อยให้ใจลอยไปกับความคิดต่างๆจะให้อยู่กับพุโทโธก็ได้บริกรรมพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆทั้งวันอย่าไปคิดอะไรส่วนใหญ่จะต้องเป็นนักบวชหรือไปปฏิบัติธรรมถึงจะสามารถเจริญสติได้อย่างต่อเนื่องถ้ายัางต้องทํางานอยู่นี่ แทบจะเจริญสติไม่ได้เลยเพราะใจจะต้องคิดถึงเรื่องงานต่างๆการนั่งสมาธิก็จะยากจะเข้าสมาธิได้ยากถ้าอยากจะเข้าสมาธินี้จำเป็นจะต้องไปเปรีกวิเวกอยู่คนเดียวไม่ยุ่งกับใครแล้วคอยควบคุมใจไม่ให้คิดอะไรและเวลานั่งสมาธิใจก็จะเนิ่งจะสงบได้นานคำถามจากผู้รับฟังนกกุฏิค่ะ เนื่องจากว่าอยู่ระหว่างการฟังผลโรคมะเร็งซึ่งไม่มีอาการป่วยอะไรเลยจึงยังทำใจไม่ได้จึงยังคิดและกังวลจะทำอย่างไรให้หา ย, หหายกังวลใจคะก็ต้องยอมแล้วว่ามันต้องเกิดไม่โรคนี้ก็ต้องเอกโลกหนึ่งหรือไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องตายอยู่ดีไม่มีโรค ก, ก็ต้องตายให้ยอมให้เรายอมรับความตายให้เรายอมรับกับความเจ็บไข้ได้ป่วยทุกชนิด ถ้าเรายอมแล้วใจเราก็จะไม่ทุกข์ที่ทุกข์เพราะว่าเราไม่ยอมเราไม่อยากให้มันเป็นเราไม่อยากให้เป็นโรคภัยไข้เจ็บเราไม่อยากตายแต่เราหนี таким, ความจริงไม่ได้ความจริงก็คือทุกคนจะต้องมีการเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาจะต้องมีการตายเป็นธรรมดาลวงพ้นไปไม่ได้นี่คือปัญญาที่เราจะต้องสอนใจให้ยอมรับให้ได้เพราะถ้าเรายอมรับแล้วใจเราก็จะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตาย เราไม่ได้เป็นร่างกายใจนี้ไม่ได้เป็นร่างกายนั้นใจไม่ต้องไปทุกข์กับร่างกายร่างกายเขาไม่ทุกข์เขาไม่เดือดร้อนที่เดือดร้อนก็คือใจแต่ใจไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายกลับไปเดือดร้อนแทนร่างกายที่ไม่เดือดร้อนที่ต้องเป็นที่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราถูกความหลงหลอกให้เราไปคิดว่าเราเป็นร่างกายกันนี่เราต้องสอนเราสอนใจเราว่าเราไม่ได้เป็นร่างกาย เราเป็นใจผู้ใช้ร่างกายพาเราไปไหนมาไหนเท่านั้นเองพอไม่มีร่างกายเราก็อยู่ต่อไปได้ที่เราอยู่ไม่ได้ก็เพราะว่าเราทุกข์กันเพราะว่าเราไม่สงบใจเราไม่สงบงัถ้าเราฝึกสติทำใจให้สงบแล้วเวลาร่างกายเป็นอะไรใจจะไม่เดือดร้อนคาถามจากทาง YouTube พระอาจารย์สุชาติค่ะ ถ้าจิตคิดอกุศลขึ้นมาเองเราจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรไม่ให้ใจคิดตามกิเลสเจ้าคะ้องต้นก็หยุดมันด้วยคําบริกรรมพุทโธพุทโธไปพอคิดไม่ดีแล้วก็บริกรรมพุทโธพุทโธไปแล้วพอมันหยุดคิดแล้วเราก็มาสอนใจว่าอย่าไปคิดแบบนี้ความคิดแบบนี้ไม่ดีเกิดความทุกข์เกิดปัญหาตามมาได้สอนใจอยู่เรื่อยๆทุกครั้งที่มันจะคิดเราก็หยุดมันแล้วก็สอนมันพออยากคิด แล้วเดี๋ยวต่อไปมันก็จะเลือกคิดเองคำถามจากทาง youtube พระอาจารย์สุชาติค่ะบุญคือความสุขสบายใจก่อนทำระหว่างทำและหลังทำถ้าเราทําแล้วรู้สึกแค่อยากทําเฉยๆล่ะคะถ้าทําแล้วรู้สึกเฉยๆใช่ไหมข้าพูดว่าถ้าเราทําแล้วรู้สึกแค่อยากทําเฉยๆพระเจ้าหมายข้าว่าไง ก็เฉยๆไปเลยถ้าอยากทำเฉยๆก็ทำไปถ้าถ้าน่าจะแปลว่าน่าจะแค่อยากทำแล้วก็ไม่รู้สึกอะไรอ่ะมั้าก็ได้ก็ไม่รู้สึกอะไรก็ก็ทำไปดูมีใครอยากจะถามอะไรไหมเชิญถามได้นะจะส่งไมโครโฟนไปให้ถ้าอยากจะถามยกมือขึ้นล้วจะส่งไมโครโฟนไปให้ถามได้ เป็นการให้ความรู้ต่อกันและกันคำถามของเราก็อาจจะมีประโยชน์กับผู้อื่นด้วยเพราะว่าพวกเราทุกคนก็มีปัญหาคล้ายๆกันดนเวลาเราฟังปัญหาของคนอื่นเราก็จะเตรียมตัวเตรียมใจรับกับปัญหาของเราก็ได้ทุกคนนี้มีความทุกข์ใจเหมือนกันอยากให้สุขไม่อยากให้ทุกข์เพราะว่าเราไม่เข้าใจโลกว่าโลกมันมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์ เราไม่สามารถที่จะสั่งให้มันมีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวได้เราต้องหัดสอนใจให้รับได้ทั้งสองอย่างรับได้ทั้งสุขรับได้ทั้งทุกข์เพราะใจเหล่านี้สามารถรับกับทุกสิ่งทุกอย่างได้เพราะใจเป็นเพียงผู้รู้เท่านั้นเองผู้ผู้รับรู้เรื่องราวต่างๆจึงสามารถรับรู้เรื่องราวต่างๆได้หมดเรื่องดีก็รับได้เรื่องไม่ดีก็รับได้ถ้าใจเราไม่ไปมี มีความอยากให้มันไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้เท่านั้นเองที่เราทุกข์เพราะเราอยากให้มันมีแต่เรื่องดีๆเรื่องไม่ดีอยากให้มันเกิดไม่ให้เกิดพอมันเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นมาเราก็ไม่สบายใจทุกข์ใจกันแต่ถ้าเรามองความจริงว่าเราห้ามไม่ได้สั่งไม่ได้โลกนี้มันมีทั้งเรื่องดีเรื่องไม่ดีสลับกันไปเราสามารถรับรู้แลวอยู่กับมันได้เป็นเรื่องปกติของโลกนี้ คำถามจากคุณชาญยุทธค่ะควรวางใจไว้ก่อนอย่างไรถึงไม่เป็นทุกข์กับการที่คนในครอบครัวที่เรารักระผูกพันจะจากไปอย่างไม่มีวันกลับครับก็คิดอยู่บ่อยๆ่อนเตรียมตัวเตรียมใจสอนใจว่าเดี๋ยวเขาจะต้องจากเราไปเราต้องจากเขาไปถ้าเราคอยสอนใจเรื่อยๆใจจะค่อยๆ ย, ยอมรับความจริงแล้วต่อไปพอยอมรับความจริงได้ใจก็จะไม่ทุกข์ ที่ทุกข์ยังไม่ยอมรับความจริงอันนี้นั้นต้องคอยสอนใจเตือนใจอยู่เรื่อยๆคิดอยู่บ่อยๆพระเจ้าสอนให้พวกเราคิดอยู่เรื่อยๆว่าเราเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพากจากการเป็นธรรมดาร่วงพ้นไปไม่ได้ให้คิดอยู่บ่อยๆเพราะว่าถ้าเราไม่คิดแล้เราจะลืมพอเราลืมแล้วเราจะอยากให้มันไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าเราคิดอยู่บ่อยๆว่ามันจะต้องเกิดขึ้นต้องเกิดขึ้นต้องเกิดขึ้นต่อไปมันก็ ต้องยอมรับเอามันยอมรับแล้วมันก็จะเฉยได้คําถามจากทาง youtube พระอาจารย์สุชาติค่ะกระผมอยากทราบว่าปัญญาแห่งการรู้ใจ ร, รักเราจะทําให้เกิดขึ้นได้อย่างไรครับก็เบื้องต้นก็ต้องคิดอยู่บ่อยๆ อ, อย่างที่เมื่อกี้ที่พูดก็เรื่องของตายรักคือความเปลี่ยนแปลงอ น, นิจจังมีการเปลี่ยนแปลงมีการเจริญมีการเสือ่อมมีการเกิดมีการดับ เป็นร่างกายมีการเกิดแล้วก็ต้องมีการแกร่มีการเจ็บมีการตายเป็นธรรมดาอันนี้ก็ไตรลักษณ์แล้วอันนี้จังพอมันเป็นอนนี้จังเราก็จะทุกข์กันเพราะเราไม่อยากให้มันเป็นอันนี้จังเราอยากให้ร่างกายนี้อยู่ไปตลอดเป็นสาวล้านปีอย่างนี้มันก็เป็นไปไม่ได้มันต้องแก่มันมนึงต้องเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วต้องตายเราต้องสอนใจยอยู่เรื่อยว่าร่างกายเป็นอันนี้จัง เราทุกคนเราอยากให้มันเป็นนิจจังให้มันเป็นสิ่งที่ยั่งยืนถาวรไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บไม่มีวันตายมันเป็นอนัตตาเราควบคุมบังคับมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้มันเป็นเหมือนปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเหมือนดินฟ้าอากาศฝนจะตกแดจะออกนี่เราไปสั่งมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้ฉันใดร่างกายมันจะแก่จะเจ็บจะตายเราก็ห้ามมันไม่ได้แต่เราสามารถไม่ทุกข์กับมันได้ด้วยการยอมรับความเป็นจริงของมัน นี่คือใจรักอันนี้จังทุกขงังอนัตตาซึ่งไม่ใช่มีเพียงแต่ร่างกายของเราร่างกายของคนอื่นก็เหมือนกันทรัพย์สมบัติก้าวของเงินทองก็เหมือนกันลาบยศสารเสริญสุขก็เหมือนกันล้วนเป็นใจรักทั้งนั้นมีเจริญมีเสื่อมเป็นธรรมดาม แ, ตแต่พวกเราอยากจะให้มันเจริญอย่างเดียวไม่อยากให้มันเสื่อมพอแล้วมันเสื่อมมันก็เลยทําให้ใจเราเศร้าทําให้ใจเราทุกข์ทั้งนั้นเองถ้าเรายอมรับความเสื่อมได้ใจเราก็ไม่เศร้าใจเราก็ไม่ทุกข์ คำถามจากทางยูทูบพระอาจารย์สุชาติค่ะบุคคลเมื่อเข้าถึงภูมิพระโสดาบันหรือพระสกิดาคามีท่านจะรู้ตัวไหมครับว่าท่านถึงแล้วท่าไม่รู้จักชื่อหรอกถ้าท่านไม่ได้ศึกษาพระคัมภีร์มาท่านยังไม่รู้ว่าตอนนี้เราเป็นโสดาบันแล้วเป็นสกิดาคาแล้วแต่ท่านจะมีคุณสมบัติของพระโสดาบานันเช่นท่านจะไม่มีความกลัวความเจ็บความตายเป็นต้นท<ช>่านจะไม่ทําบาปโดยเด็ดขาด ท่านเห็นกฎแห่งกรรมชัดเจนตายทําบาปแล้วตายไปก็ต้องไปใช้กรรมต่อถ้าทําบุญแล้วก็ได้ไปอยู่ในสวรรค์ชั้นต่างๆอันนี้ท่านจะไม่สงสัยท่านจะเชื่อกฎแห่งกรรมแล้วท่านไม่จะไม่เชื่อพิธีกรรมอะไรต่างๆไม่ต้องไปหาหมอดูถามหมอหาหงจุ้ยหรือหาอะไรต่างๆเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนอะไรเพราะการกระทํำเหล่านี้เป็นแค่พิธีมันไม่ได้ไปทําให้เปลี่ยนแปลงในทางจิตใจ การเปลี่ยนไปในทางการเปลี่ยนแปลงในทางจิตใจยอยู่ที่การกระทำอยากให้ใจเราดีใจใจมีความสุขให้ทำความดีกันถ้าอยากให้ใจเราไม่ทุกข์อย่าไปทำบาปกันเท่านั้นเองนี่คุณคุณสมบัติของพระโสดาบันคำถามจากผู้รราฟังนากุฏิค่ะขณะปฏิบัตินั่งสมาธิ จากการเปลี่ยนจากอาการเบาสบายมาเป็นเวทนาหนักเจ็บขอเกลียดขอกราบเรียนถามวิธีพิจารณาในขณะที่เวทนาหนักนี้จะพิจารณาอย่างไรยมคิดถึงขณะที่จิตกำลังจะดับเราจะเราจะผ่านอาการนี้ไปได้อย่างไรคะเราต้องสอนใจให้นิง่งทาใจให้นิง่งวิธีแรกก็คือวิธีของสติอุบายของสติ ก็ให้บริกรรมพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไปอย่าไปสนใจกับอาการเจ็บปวดของร่างกายถ้าอยู่กับพุโทโธได้เดี๋ยวใจก็จะลืมเรื่องความเจ็บปวดของร่างกายแล้วใจก็จะนิ่งใจใจก็จะสงบขั้นที่สองก็ถ้าเรามีสมาธิแล้วก็สอนใจเวลาเจอความเจ็บก็พิจารณาว่าเขาเป็นอนัตตาเป็นธรรมชาติที่เราควบคุมบังคับไม่ได้เหมือนฝนฝนฟ้าอากาศดินฟ้าอากาศที่เราควบคุมไม่ได้ ฝนจะตกแดดจะออกเราไปสั่งเขาไม่ได้แต่เราอยู่กับเขาได้ทําใจยอมรับเขาฝนตกก็ยอมรับว่าฝนตกแดดออกก็ยอมรับว่าแดดออกเวทนาก็เหมือนกันเวทนาก็มีสี่สามชนิดมีสุขเวทนามีทุกขเวทนามีไม่สุขไม่ทุกขเวทนาเข <c oughs> าก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเห ม, มือนดินฟ้าอากาศ<ๆ>เราก็ทําใจให้ยอมรับกับเวทนาทั้งสมให้ได้เวลาเขามาก็ปล่อยเขามาไปเวลาเขาไปก็ปล่อยเขาไป จเราก็ะข้อที่สองค่ะตั้งใจตั้งใจจะปฏิบัติธรรมตั้งแต่แปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นตั้งใจจะปฏิบัติธรรมตั้งแต่8ปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นทุกวันต้องมีวิธีการทำให้บรรลุเป้าหมายอย่างไรครับก็ต้องมีสัจจะคือเราต้องไม่โกหกตัวเราเองตั้งใจจะทำอะไรแล้วก็ต้องทำตามที่เราตั้งใจหรือไม่ ไม่ใจโลเลเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาต้องมีใจที่หนักแน่นแล้วถ้าเราเกิดโลเลเราเปลี่ยนใจเราก็เรามีมาตรการตรงโทษตัวเอง mm hmm. เช่นถ้าไม่ทําตามที่สั่ง mm hmm. ก็วันนี้อยา ก, กินข้าวเย็นเป็นต้น mm hmm. มันอาจจะมีมาตรการที่จะบังคับให้เราต้องทํา mm hmm. อย่างพระพุทธเจ้าก็บังคับให้นั่งอยู่ใต้คนต้นโพจนกว่าจะตัดทะลุ mm hmm. ถ้าไม่ตัดทะลุก็จะไม่ลูกจากที่นั่งนี้ไป มันต้องมีมาตรการอะไรที่คอยบังคับถ้าไม่มีแล้วก็จะโลเลตั้งใจดีอยู่แต่พอถึงเวลาทำจริงๆแล้วล้มเหลวเพราะใจเราไม่หนักแน่นพอคำถามจากทาง a ฟ e b o o k ค่ะพบชาติมีจริงหรือไม่ทำไมคนจึงบอกว่าให้ทำบุญเจริญสมาธิเมื่อเพื่อผลบุญติดตัวไปพบหน้าคะก็บุญนี้แหละจะพาให้เราดวงวิญญาณของเราไปสู่ ที่ดีไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆถ้าบาป ก, ก็จะพาเราไปสู่อบายที่ต่างๆชั้นต่างๆอนนี่คือกฎแห่งกรรมมันอยู่ที่ใจของเราทำบุญแล้วใจเราจะมีความสุขความสุขนี้จะเป็นสวรรค์เวลาที่ร่างกายนี้ตายไปทำบาปแล้วใจจะมีความทุกข์เวลาร่างกายตายไปใจก็จะไปนรกไปอบาย คำถามจากทาง youtube ดร V ค่ะยอมรับความจริงใจจะปกติเจ้าค่ะใจที่ปกติเกิดจากการฝึกฝนลูกได้รับรู้แบบนี้จากการลูกได้รับรู้จากแบบนี้จากการนําธรรมะของพระอาจารย์มาปฏิบัติโกรธไม่นานและไม่รุนแรงอิจฉาริษยาไม่มีเพราะพอใจถูกทางแล้วใช่ไหมเจ้าคะถูกแล้วถ้าใจไม่ทุกข์กับอะไรก็ถือว่าถูกใจ การปฏิบัตินี้เพื่อดับความทุกข์ต่างๆไม่ได้ปฏิบัติเพื่อให้ลาให้เจริญในลาบยศเสรเสรไม่ได้ให้รวยขึ้นไม่ได้ยศให้ได้ตำแหน่งสูงขึ้นแต่ปฏิบัติเพื่อให้ใจเราไม่มีความทุกข์กับอะไรคาถามจากทางเฟ e บ o o k ค่ะโยมทำอาหารไม่ถูกใจลูกสาวขอพูดแดง เขาพูดแรงว่าให้ทีหลังไม่ต้องทำเขาไปซื said, ้อกินเองว่ามากมายเขาจะบาปไหมคะโยมมีความรู้สึกน้าตาไหลออกมาเฉยเลยจะทำอย่างไรดีคะอ๋อก็เป็นกรรมของเขาที่เขาคิดอย่างนี้เพราะเขาทำให้ใจเขาทุกข์ไปเปล่าๆเขาเป็นคนที่จู้จี้จุกจิกไม่รู้จักคำว่าสันโดษก็ยินดีตามมีตามเกิดชีวิตเขาจะทุกข์ยากลำบากต่อไปเพราะเขาจะต้องคอยหาสิ่งที่เขาอยากเขาชอบ พอเขาไม่ได้สิ่งที่เขาอยากเขาชอบเขาก็จะทุกข์แต่ถ้าเขายินดีตามมีตามเกิดมีอะไรก็กินไปกินเพื่อดับความหิวเขาก็จะไม่ค่อยทุกข์กับอะไรหมแล้วใช่ไหมยังไม่มีคําถามใหม่ค่ะเราท่านนี้ก่อนว่ากันสําหรับวันนี้อขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิพจิตรณาไปปฏิบัติ